วิธีสมาทานปริวาทภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสมาทานปริวาทอย่างนี้ภิกษุผู้อยู่ปริวาทพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าสมาทานปริวาท ปริวาสย่อมเป็นอันสมาธานแล้วหรือกล่าวว่าข้าพเจ้าสมาฐานวัดวัดย่อมเป็นอันสมาฐานแล้วปริวาสิกะวัตตะจบ